หลายในโลกนี้ก็ร้วมปรารถนาชีวิตที่มีความสุขราบรื่นแล้วก็เจริญก้าวหนา้าด้วย น, นี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็จึงพยายามที่จะสร้างเปลนสร้างต้จใจเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปในทางที่เจริญ้องงามดังที่ตั้งความปรารถนาไว้เราภาพเพียนทั้งในการเรียนทั้งในการทํางานเราแสวงหาอาชีพการงานที่มั่นคง และพยายามที่จะเสริมสร้างสถานะนของตัวเองให้สูงขึ้นรวมทั้งการพยายามสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงรวมตลอดถึงการดูแลรักษาตนให้มีสุขภาพดีให้มีความสุขแต่บ่อยครั้งเราก็จะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาไปเสียทั้งหมดแล้วเราก็จะพบว่าชื่อของเราเนี่ย มันไม่ใช่เป็นชื่อที่ราบรื่นเหมือนถนนหลวงหรือถนอนแปดเลนเสมอไปบางครั้งมันก็หักเหบางครั้งมันก็ดิ่งลงเขาบางครั้งมันก็ทุรักทุเลนเต็มได้วยหลุมบ่อไม่ว่าเราจะพยายามดูแลรักษาชีวิตของเราอย่างไรบางครั้งเราก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ประสงค์ เจอความทุกข์และทุกข์บางชนิดบางครั้งมันก็กลายเป็นวิกฤตของชีวิตทั้งๆที่เราก็พยายามที่จะระมัดระวังแล้วหลายคนเนี่ยดูแลสุขภาพดีบางคนจึงกับจินกินอาหารชีวิจิตกินอาหารที่ปรอดสารพยายามที่ออกกําลังกายเป็นประจํากินอาหารเสริมที่เชื่อว่าจะทําให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเช่นลงมะเร็ง แต่แล้ววันดีคืนดีทั้ทงที่ในวัยกลางคนก็พบว่าตัวเองเป็นอะไรเฉยแล้วในขณะที่บางคนไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างใส่ใจขนาดนั้นกลับไม่เป็นอะไรหลายคน ท, ท, ทั้งๆที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็วางแผนธุรกิจอย่างดีมีทีมทำงานที่เครียดพร้อม แล้วก็วาดหวังว่าธุรกิจจะไปได้ดีไปได้สวยแต่และ ว, วันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตขึ้นมาเมื่อโควิดมาเยือนมีการปิดประเทศมีการปิดเมืองมีการล็อกดาวธุรกิจที่วาดหวังเอาไว้มันไม่สามารถจเป็นไปอย่างที่วางแผนสุดท้ายก็แทบจะล่มละลายมันเป็นเหตุการณ์ ที่คาดหวังได้ยากและควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าชี่องเราเนี่ยเราจะวางแผนมาอย่างดีอย่างไรเตรียมพร้อมมาอย่างไรมันก็ยากมากนะที่เราจะไม่เจอวิกฤตในชีวิตอย่างที่เราส่วนบนทุกเช้าเนี่ยจะมีข้อความอยู่2ประโยคเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วการที่เราไม่มีความทุกข์หรือไม่ประสบวิกฤตแต่วันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอในวันหน้าและถึงแม้วันนี้จะไม่เจอวิกฤตแต่ก็มีความทุกขนะ์มาเยือนกับชีวิตของเราอยู่แล้วก็ได้อาจจะเป็นทุกข์ที่เบาบางเช่นปวดเมื่อยหรืออาจจะเป็นทุกข์ที่หนักดาสหาหัสแม้ว่า โควิดนกำลังจะเริ่มที่คลายมันก็ไม่เห็นแปลว่าวิกฤตที่เราเคยประสบในช่วงโควิดเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นหรือหวนกลับมาอีกในวันท้างหน้าแม้ว่าวันนี้ชีวิตเราจะรับรื่นการงานดีครอบครัวที่อบอุ่นก็ไม่แปลว่าเราจะไม่เจอความสูญเสียพันพระในอนานคตซึ่ง สำหรับหลายคนนี่คือวิกฤตอย่างความทุกข์ที่กลายเป็นวิกฤตเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันเวียนอยู่กับ4เรื่อง4ี่ประเด็น 1. ทรัพย์ ส, สินเงินทองเป็นนี้เป็นสินหรือว่ารายได้ไม่พอใช้จนารทั่งกลายเป็นอัตรฐฐาขาดแคลนหรือสูญเสียทรัพย์สมบัติที่รักที่หวงแหน เสียบ้านสูญเสียที่ดิน เ, เพราะไฟไหมหรือเพราะธุรกิจที่ล้มเหลวนอกจากซั์แล้วเนี่ยวิกฤตก็ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเช่นความเจ็บป่วยหรือว่าอาจจะเสียโฉมเพราะอุบัติเหตุแม้จะยังใช้ชีวิตดำต น, นตานปกติได้ แต่โฉมหรือรูปร่างหน้าตาที่เคยหวงแหนเคยรักมันก็เสียไปอย่างกลับคืนมาไม่ได้วิกฤติประการที่3ก็เกี่ยวพันกับเรื่องงานการหรือการเรียนบางคนเรียนเก่งแต่วันเดีย ว, ก, วกันก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้หรือว่าคะแนนตกต่ำยังแยกอย่างที่ไม่ถึงบางคนธุรกิจก็ล้มละลายต้อง สูญเสียหรือเสียหายนับล้าน10บล้านหรือว่าสูญเสียงานที่รักที่เป็นความหมายของชีวิตในวิกฤติปการทีเสียคือสัมพันธ์กับคนที่เรารักหรือเป็นวิกฤตเกี่ยวความสัมพันธ์เช่นคนรักเลิกรางหรือว่ามีปัญหากับคนรอบข้างจนกลายเป็นกทั่ง ความขัดแย้งที่รุนแรงหรือนับก็น่าคือสูญเสียคนรักไม่ใช่แค่พ่อแม่อาจจะเป็นสามีภรรยาหรืออาจจะเป็นลูกคนตั้งแต่ละล้านคนเนี่ยเมื่อเจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยมันก็มีไม่คนวิกฤตในสีเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ยากแม้เราจะพยายาม ระมัดระวังกินแต่ก็ตามอย่างตัวอย่างที่ได้ยกมามาสักครู่อันนี้เมื่อเจอพฤตกรรมเนเราควรทําอย่างไรอย่างแรกที่เราควรจะมีหรือตั้งจิตเอาไว้ให้ได้ก็คือการมีสติเรามีสติเพื่ออะไรประการแรกเพื่อที่เราจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราขาดสติ นอกจากมันจะทำให้เราทุกข์หรือเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับใจของเราแล้วมันยังอาจทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาหรือแก้ปัญหาผิดจุดจนกระทั่งสร้างความเลวร้วายหรือความทุกข์ตามมาอย่างมากยกตัวอย่างง่ายๆขับร้ด้วยความเน็วสูงแต่รถเกิดอย่า ง, ง, า ง, าา ง, งแ ต, งแต่ถ้าไม่มีสติ ก็คงจะเหยียบเบรกทันทีถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานี่ก็อาจจะเป็นรถทิศความสูญเสียชีวิตคนที่พามาัด้วยก็อาจจะมีเป็นไปแต่ถ้าเรามีสติเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนร้ายกายเป็นดีความหนักให้กลายเป็นเบาแทนที่จะเหยียบเบรกเราก็ใช้วิธีอื่นที่ช่วยทําให้รถเนี่ยเสียหายน้อยลงหรือเสียแต่ทรัพย์คือเสียแต่รถแต่ว่า ร่างกายไม่เสียชีวิตไม่สูญไปด้วยบ่อยครั้งเนี่ยเมื่อเราเจอวิกฤตเช่นความสูญเสียเช่นเสียทรัพย์เราไม่ได้เสียแต่ทรัพย์ใจเราก็เสือแล้วพอใจเราเสียสุขภาพเราก็เสียตามกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งเสียสุขภาพงานกายก็ทําไม่ได้เสียงานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเช่นคนที่บ้านก็เสียไปด้วยเพราะว่าอารมณ์ยึดใครพูดอะไรก็ไม่ถูก เพื่อนมาแซวก็ตะหวานกลับดากลับซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทําอย่างนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็อะไรนะเพราะว่าเราไม่ยอมรับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอดีตเป็นแล้วทันทีที่เราไม่ยอมรับความสูญเสียทรัพย์มัไม่เสียแต่ทรัพย์มันเสียตามมามากมายใจก็เสียสุขภาพก็เสียงานก็เสียความสัมพก็เสียบางทีเสียผู้เสียคนอะไรเรด้วยๆไป แต่ถ้าเรายอมรับเสียงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยอาจจะเสียแค่ซ้ำแต่ว่ายังมีก็จะไม่เสียตามไปด้วยเจ็บป่วยก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเรายอมรับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยเราจะไม่ป่วยแต่กายใจเราจะป่วยด้วยและใจที่ป่วยเนี่ยมันซ้ำเติมความทุกข์ให้กับเราอาจจะยิ่งกว่าความเจ็บป่วยทางกายที่มขึ้ มีผู้หญงคนหนึ่งเนี่ยเธออายุสาสิ 30, และเธอเพ่าเป็นมะเร็งเธอผู้ไปดีเธอบอกว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยุบของคุณหายไปความทุกข์ใจหลังหาแล่ทุกข์ใจเพราะอะไรนะทุกข์ใจเพราะไม่ยอมรับเธอเพูดจากประสบการณ์ตัวเธอเองเพราะว่าเป็นมะเร็งก้อนอักเสบซึ่งเกิดขึ้นกับคนชารา หรือคนที่สูขบุรี่มากเธออายุแค่30มสิบขณาเพิ่งกำลังรุ่งโรยแล้วก็ไม่เคยแตกบุหรี่เลย mm hmm. เธอทำใจยอมรับไม่ได้กับโรคที่เกิดขึ้นโทษหมอว่าวินิจฉัยโรคช้าไปเพราะหมอเองก็ไม่คิดว่าเธอจะเป็นมเ mm hmm. ร็งชนิดอื่เธอวไ้ยว้ใส่หมอไม่พอเธอก็ไวยวยวินใส่คนที่บ้านลงท่องแม่เลย จระทังวันหนึ่งเนี่ยเธอได้ลอมาเข้าค อ, อ, อสปฏิบัติธรรมแล้วเธอได้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งแต่เป็นเพราะใจเธอยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และเมื่อเธอปรับใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการเจริญสติจากการที่ได้ฟังฟั ง, ฟงธรรมจนได้เข้าใจความจริงของชีวิตปรากว่าความทุกข์ลดลงไปเยอะ ทุกกายจะไม่รอดนะแต่ทุกใ จ, จต้องเปลี่ยนเยจนเธอรู้สึกได้เธอเพื่อใ้ดีมากที่อบอกว่าบางครั้งความจริงก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมความจริงต่างหาที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือ น, นคุกที่ขังใจเราเอาไว้มันเหมือนคุกที่ขังใจเราหรือเหมือนโซ่ที่พันธน า, าการเร า, เาไว้ทําให้เราไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าไปสู่หนทางที่ดีกว่า สนใสกว่าได้แต่ทันทีที่ยอมรับได้าจมันก็เป็นสระสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปและเลือกเส้นทางชีวิตว่าจะไปทางไหนการยอมรับความทุกข์และวิกฤตของชีวิตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่มันจะช่วยนำพาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในเวลาต่อมาในสายผู้ตการเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะ ที่เธอก็น่าจะมีชีวิตที่ดีนางกีสาคคตมีมีสามีที่ฐานะดีแล้วก็รักเธอด้วยและต่อมาเธอก็มีลูกชายที่น่ารักชีวิตเธอก็น่าจะมีความสุขได้แต่และ ว, วันหนึ่งลูกก็จากเธอไปอย่างปัจจุบันทันทีหมเธอทำใจ ย, ยอมรับไม่ได้ว่าลูกตายแล้ว ยังมีความหวังหรือความเชื่อว่าลูกจะฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้ น, น่จึงกุ้มร่างของลูกซึ่งปราสจากวิญญาณแล้วเนี่ยไปตามที่ต่างๆเพื่อขอให้คนใครกับใครเนี่ยช่วยให้ลูกของเธอฟื้นขึ้นมาทุกคนก็ว่าลูกเธตายแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมรับยังมีความหวังว่าลูกจะฟืน้น แต่เพราะว่าลูกยังไม่ฟื้นเนี่ยเธอยังทุกข์มากแล้ววันนึงก็มีคนแนะนําว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าสิร้อยวัน ท, ท้อยีน้ำไม่เคยไปหาพระพุทธเจ้าเลยแต่คราวนี้นางได้อุ้มสลูกเนี่ยไปที่เชนตะวันพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเห็นนางที่สาวกติมีดูจากสภาพอารกิริยาของเธอแนละ้วก็รู้ว่าคงสอนธรรมะไม่ได้ ผู้เจ้านี่สอนธรรมะแสดงธรรมให้คนเนี่ยบรรลุธรรมมาเยอะแล้วนะเป็นผ้ากรหันก็มากแต่เห็นอากับกิริยาของนางกีสาวกตมีแล้วนะรู้เลยว่าสอนธรรมะใจเธอก็ไม่รับเพราะว่าใจมันท่วมทนด้วยความเศร้าดังนั้นเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยแทนที่จะแนะนําเธอถึงเรื่องความไม่เที่ยงชีวิตผู้เจ้ากลบอกนางกีสาวกตมีว่าเราช่วย ลูกของนางให้ฟื้นขึ้นมาได้่นานางเนี่ยไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาให้เรากานางดีใจมากอุ้มสองลูกกลับไปที่สาวัตถีแล้วก็ไปถามใครต่อใครบ้านนั้นบ้านนี้ว่ามีเม่ดผั ก, กาดไหมทุกบ้านมีแต่พอถามว่ามีคนตายไหมก็เลยก็ตอบทุกบ้านก็มีคนตายบ้านนี้พ่อตายบ้านนี้แม่ตาย บาง น, นี้ลูกตายบ้านนี้สามีตายบ้านเราบ้านเราเนี่ยก็ล่างลแต่เป็นบ้านที่มีคนตายทีระน้อยทีราน้อยเนี่ยนางกีสาคุตมีก็เริ่มยอมรับว่ายอมรับได้ว่าความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวและกับทุกคนความสูญเสียเป็นธรรมดาของทุกชีวิตเมื่อรับรู้ว่า ใครต่อใครก็สูญเสียลูกสูญเสียคนครับนางกิสากุตมีก็เริ่มยอบรับได้ว่ารูปของนางจากไปยออังไม่มีอันกลับการยอรับจทิาทำให้นางเนี่ยคลายความโศกเศร้าไปไดีเยอและยอมรับความจริงว่ารูปของนางไม่คืนแล้วเพราะฉะนั้นนางจึงเลิอกอุ้มศพของลูกไปตามที่ต่างๆแต่นำศพของลูกเนี่ยไปฝังใจป่าชา้า แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปฟังพุทเจ้าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอนตาตมาจะเล่าต่อไปในตอนหลังแต่เฉพาะในส่วนนี้นี่ก็เห็นได้ว่าการยอมรับความจริงการยอมรับวิกฤตที่เกิด ข, ขึ้นกับชีวิตการยอมรับความสูญเสพ็ทพลาดมันเป็นขั้นตอนสําคัญในการที่เราจะก้าวข้ามผ่านทุกข์ที่เกิดจากวิกฤต มันจะช่วยลดความทุกข์ในจิตใจของเราไปได้ไม่น้อยแม้ความสูญเสียจะอากลับคืนมาได้อับเอากลับคืนมาไม่ได้แม้โรคร้ายจะรักษาไม่ได้ก็ตามแต่ว่าความทุกข์ใจก็จะบรรเทาเบาๆไปได้มากและอาจจะนำไปสู่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังก็ได้นี่เมื่อเรายอมรับ ความจริงหรือยอมรับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับสิ่ของเราได้แล้เนี่ยการต่อมาก็คือการที่เราเนี่ยพยายามที่จะเอาจิตเนี่ยมัอยู่กับปัจจุบันบ่อยครั้งวิกฤตเนี่ยมันเลวร้วายมากขึ้นในความรู้สึก ข, ของเราเพราะว่าใจเราจะไปปรุงแต่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตและทาให้เราลืมความสําคัญของปัจจุบัขนขณะ มีเพียงคนหนึ่งเนี่ยเธอมีสามีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วก็มะเร็งก็ลุกลามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยหมอเนี่ยบอกว่ารักษาได้ยากแล้วสามีก็กลับมาดูแลกลับมารับการดูแลที่บ้านก็มีความเจ็บความปวดเพราะโรคที่เกิดขึ้นแต่คนที่ทุกข์ไม่น้อยไปกว่ากันก็คือภรรยาซึ่งน่าจะไม่ได้ป่วยด้วยโรครายแต่ว่าใจเป็นทุกข์มาก เธออจะคิดว่าเนี่าสามีจากไปเธอจะอยู่อย่างไรและใครจะดูแลลูกใครจะส่งเสียลูกเพราะลูกก็ยังเล็กเธอเศร้าโศกตอมตรมมากจนกระทั่งร่างกายผายผอมแล้วเธอก็เสียมนมเท้าต่อมาว่าเธอควรจะทำอย่างไรดีเธอจะจากทุกอย่างนี้ได้อย่างไรต่อมาก็บอกเธอไปว่า ก็เห็นใจนะในสภาพที่เธอต้องเผชิญแต่อยากจะแนะนำอย่างหนึ่งนะอยากจะบอกอย่างนึ่งก็คือว่าตอนนี้สามียังไม่ตายนะตอนนี้สามียังไม่ตายสามียังอยู่กับคุณนี่คือโอกาสทองนี่คือช่วงเวลาดีๆที่คุณเนี่ยควรจะทำอะไรดีๆให้กับสามีหรือมีความสุขร่วมกัน อย่าเพิ่งไปคิดถึงวันที่สามีตายพเพราะนั่นคืออนาคตและพอคิดถึงวันที่สามีตายเ น, ในี่ยใจมันหดหู่อเดียวจนลืมไปว่าตอนนี้เป็นเวลาทองนาทีทองที่ยังทำอะไรดีๆให้กับสามีหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันเ น, น้อยคุณอาจจะช่วยในเรื่องของสุขภาพกายของสามีไม่ได้ แต่คุณสามารถที่จะช่วยทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีความสุขและคุณจะทําให้จิตใจเขามีความสุขได้เนี่ยคุณต้องมีความสุขเสียก่อนอย่างว่าคุณต้องไม่จมอยู่ในความทุกข์คุณต้องดูแลตัวให้ดีทั้งกายและใจรอนให้พอเพียงเพื่อได้มีการรําลังมงชาในการที่จะดูแลสามีและพากันทํำสิ่งดีๆในขณะที่ยังมีเวลาในขณะที่มีโอกาสจมัวแต่คิดถึง ความตายของสามีซึ่งเป็นเรื่องนองนาคตนให้มาจดจ่อยอยู่กับปัจจุบันและดูว่าเราจะทำอะไรดีๆ ด, ด้วยกันหรือทำความดีให้กับสามีหรือสิ่งดีๆกับสามียังไรบ้างไม่นานเธอก็ตอบมาว่าเธอเข้าใจแล้วและตอนนี้เธอก็พยายามที่จะดูแลตัวให้ดีทําการเลนใจนอนหลับให้พอเพียงเพื่อที่จะได้ใช้เวลาช่วงนี้ซึ่งสำคัญและกลังจะผดหายไปเรื่อย ให้มันเกิดผลดีกับสามีและตัวเธอให้มากที่สุดหลายครั้งเนี่ยเราปล่อยให้โอกาสทองนาทีทองซึ่งมีในปัจจุบันขนะดลุดลอยไปพออจแล้เราเป็นตัวจอ ย, อยู่กับเวลาคูมากเกินไปและไปนวล า, าที่คดขู่หรือปรุงแต่ในทางร้ายบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งไม่ใช่สามีเป็นมเร็งแต่เพื่อนเป็นมะเร็งเย แล้วบางทีก็อาจจะเป็นมาเร็งระยะต้นๆแต่ใจเนี่ยคิดเปถึงความตายของตัวเองครับแล้วพอคิดถึงความตายตัวเองก็คิดว่าเนี่ยแล้วลูกจะอยู่ยังไงแล้วใครจะดูแลพ่อแม่ที่ใจพอเหียวฟึ้เศร้าเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจทั้งที่เธอยังมีเวลาอาจจะสมปีหปีเป็นอย่างน้อยหรือจะมากกว่า น, นั้นก็ได้ถ้าดูแลกันอยูๆแต่ปล่อยเวลา นาทีทองอย่างนี้ให้หมดไปเนี่ยพรจมอยู่ับเรื่องอนาคตซึ่งยังไม่เกิดและอาจจะไม่รุนแรงเร็วไรอย่างที่คิดก็ได้จะไม่ดีกว่าหรือถักหันมาสนใจอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีสุขภาพดีเรายงทำสิ่งดีดให้หกับตัวเองได้อาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะไปปฏิบททัติธรรมหรือให้เวลากับคนที่เรารักเต็มที่ก่อนที่จะไม่มีเวลาให้กับเขา ถ้าทํอย่างนี้ได้เนี่จิตใจจะมีเริ่อมีแรงมีกําลังและเอาเข้าจริงๆเอาอาจจะมีเวลาได้นานกว่าที่คิดก็ได้หรืออาจจะรอตายหายป่วยจากโรคก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยอมอยู่กับปัจจุบันเราไปจมอยู่กับอนาคตและปรุงแต่งสร้างภาพในทางที่เลวร้ายเนี่ยเราจะปล่อยให้เวลานาทีทองหมดไปอย่างน่าเสียาย ถ้าเกวเราเห็กรรมมอยู่กับปัจจุบนันใส่ใจกับปัจจุบันให้ดีเราจะพบว่าเรามีเวลาทำสิ่งดีๆมากมายและเราจะพบว่าเรามีสิ่งดีๆในชีวิตของเราที่เราไม่ควดหมองข้ามบ่อยครั้งเมื่อเกิดอิทธิพลในชีวิตเนี่ยเราไปจดจ่อยอยู่กับเหตุการณ์ซึ่งบางทีมันกัดแผดีไปแล้วแต่เราลืมมองว่ามันยังมีสิ่งดีๆนี่อยู่ในชีวิตของเรา ทีมก้นึ่เนี่ยสูญเสียเงินไปหกสิล้านถูกโกงที่แรกเธอเศร้าโศกมากครับแค้นเสียใจแต่หลังจากน้ไม่กี่วันเธอกลับมายิ้มได้ใช้ชีวิตตามปกติเพื่อสนสนิท ก, ก็ถามเธอว่าเธอได้เงินคืนแล้วเหรอเธอบอกยังไม่ได้คืนหรอกแล้วทำไมถึงไม่ไหายเศร้าโศกเลยทําไมถึงไหาเศร้าโศกนะสามีเธอยังเศร้าอยู่เลยยัแท้น ก็บกวาเธอกมันก็ขึ้นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ย mm. ก็ยังมีชีวิตที่สุขสบายยังได้อยู่บ้านที่สุขสบายอาหารที่ดีๆก็ยังได้กินเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเลยชีวิตก็ยังสุขสบายเหมือนเดิมและจะทุกบร้อนไป60ล้านที่เสียไปมันแป็นอดีตไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเธอในปัจจุบันเนี่ยกระทบกระเทือน เท่าไหร่เลยเพราะเธอยังมีความสุขเหมือนเดิม น, นี่คือการที่เธอเนี่ยไม่มัวสนใจอยู่กับอดีตคือเงินที่สูญไปแต่หันมาเปิดใจรับรู้สิ่งดีๆที่ยังมีอยู่ก็คือชีวิตที่ยังเป็นปกติสุขเหมือนเดิม60ล้านก็เป็นแค่แค่ตัวเองบางครั้งเนี่ยการที่เรา ไปจนจ อ, อยู่กับสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยมันจะทำให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่เรายังมีอยู่และนั่นคือโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยจมอยู่ในความทุกข์ต่อไปพมื่ปีห้าสามเนี่ยเราก็ทราบดีนะว่ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในบ้านเมืองมีผู้คนล้มตายจํานวนนับร้อยแล้วก็มีอาคารบ้านเรือนถูกเผาจํานวนมาก มีศูนย์การค้า4แห่งเนี่ยถูกเผาถูกทำลายในช่วงปี53แล้วก็มีร้านสุกกี้ชื่อดังเนี่ยพลอยโดนลูปอลงไปด้วย4แห่งใน4ศูนย์การค้าเจ้าของอผู้จัด ก, การเนี่ยก็มารรงงานากับ CEO ด้วยสีหน้าที่เศร้าส้อยว่าร้านของร้านเนี่ยถูกเผาไป สสาขาต้องปิดกิจการชั่วคราวรายได้ก็สูญหายไปเยอะแล้วต้องซ่อมแซมมากมายเสียหายหลายมา้มานบรายงาน CEO ทด้วยความเศร้าปวดูัวแต่ซ e o เนี่ยคุณลิศจะรัโกลเองแทนที่จะเศร้าไปด้วยก็กลับพูดให้กำลังใจหรือพูดให้ข้อคิดบอกว่าร้านของเราเนี่ยมี360 ส, สาขา ถูกเผาไปแค่สี่เท่านั้นแปลว่าอะไรยังเหลือต้องสามอห้าสิบหกคนหนึ่งทุงกข์เราจดจออยู่กับสี่สาขาที่ถูกเผาแต่คนหนึ่งเนี่ยเห็นส5มอยห้าสิบหกที่ยังมีดังนั้นจึงไม่มีเห็นคนที่ต้องโศกเศร้าบางครั้งเนี่ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยถ้าเรามองผิดเราก็ทุกข์มากนะ คือเรามองแต่สิ่งที่สูญเสียไปหรือสิ่ที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นจนลืมมองว่าเรามีสิ่งดีๆมากมายที่ยังควรแก่ความสุขหรือความภาคภูมิใจหรือเป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่สมควรที่จะทุกข์นี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอเป็นทรัสีเมีตั้งแต่เกิดและเป็นทรัสตีเมือที่แรง ลัสซเมนเป็นโรคเลือ้อรังที่เกิดจากพันธุ ก, กรรมจากพ่อและแม่หมอบอกว่าเธอจึงได้เป็นเกินยีร่างกายเธอผายผ่องแครกแกลงตาโปนกระดูกปรอกะดกล้มทีไรก็ไม่แข็งขา ก, ก็ขาหักใส่เฟืองนี่เสร็จยี่ครั้งแนละ้วทั้งที่อายุไม่ถึง30แต่เธอเป็นคนที่มีความสุขนะ ทังที่ไม่รู้จะตายเมื่อไร่ก็มีคำถามว่าเธอทําไมเธอถึงไม่ทุกข์เลยนะร่างกายก็อยางอย่า ง, งสุขภาพก็ไม่ดีแล้วไม่รู้ถึงอยู่ในตาเท่าไหร่เธอพูดไว้ดีมาทุกบอกว่าแม่เลือดของฉันติแย่แต่ฉันก็มีตาเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกโดนตึงหอบูได้ฟังเสีงไพระกินอะไรก็ยังอร่อยยังเดินหไปไหนมาไหนได้คือแขนและขาเธอก็ยังปกติ แค่นิสมีความสุขเธอเลือกที่จะไม่สนใจเลือดที่แย่แต่เธอหัมนมาสนใจสิ่งดีๆที่มีอยู่คือตาหูจมูกลิ้นแขนและมือทั้งสองข้างแล้วก็รวมถึงสมองด้วยคึกจังเมื่อเห็นสิ่งนี้ยังดีอยู่เจ้าก็ไม่มีเห็นคนอะไรที่จะถูกในยาที่เราประสบวิกลิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างต้องสูญเสียไปหมดหรือ เจอแต่สิ่งเลวร้รายไปทุกส่วนอาจจะสูญเสียบางสิ่งอาจจะเจอเหตุร้ายบางอย่างแต่เราก็ยังมีหลายอย่างที่ยังดีอยู่และถ้าเราใส่ใจจดจ่อชื่นชมสิ่งนั้นเนี่ยเราจะมีความทุกข์น้อยลงและเราจะมีความสุขมากขึ้นทั้งๆที่วิกฤินั้นก็ยังไม่ได้บรรเทาเบ า, าทั้งๆ ท, ที่ความเจ็บปวก็ยังคงอยู่แต่เราก็มีเหตุผล ที่จะมีความสุขได้แล้วบางครั้งเนี่ยความทุกข์เนี่ยที่เราคิด่าเป็นวิกฤตเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เกิดจากความคิดหรือความคาดหวังของเราเองมากกว่าอาจารย์คนนึงเนี่ยมีลูกชายนะซึ่งเรียนเก่งมากเรียนจบแพทยติงแพทย์อันดับต้นๆอาจารย์เนี่ยมีความภูมิใจในลูกชายคนนี้มากเเพราะเรียนเก่ง แล้ววันนึงเนี่ยแผลที่ลูกชายเรียนปีสลูกชายก็มาบอกพ่อว่าพ่อผมเรียนหมอไม่ไหวแล้วนะผมไม่ชอบรักษาคนผมไม่ชอบเห็นเลือดหนองน่ยแผผมจะไม่เรียนหมอแล้วผมอยากจะไปเรียนผมอยากจะเป็นนักวิเคราะห์การเงินผมจะลาออกไปเรียนเอ็นดีจแล้วแกไม่ได้พูดเฉย้ะแกเลองจรินะ แค่ปีสีนะได้คะแนนดีลาออกทั้งอีกสองปีก็จะจบไปเล่นเอ็นีเอป่วนพ่อเนี่ยบอกเลยนะบอกเลยโกรธมากช็อกใจสลายเพราะว่าพ่อเนี่ยทุ่มเทเพื่อลูกคนนี้มากตั้งแต่เล็กเราคิด ว, ว่าจะฝากความหวังไว้กับลูกคนนี้ได้เพราะตั้งใจเรียนแต่พอมันจะแบบนี้นี่ ใจสลายทั้งโกรดลูปมากนอนไม่หลับกระสับกระส่ายถึงกับไม่เป็นผู้เป็นคนเลยนะเสียสุดไปเลยแต่แล้ววันนึงเนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยขณะที่กำลังนอนหลับและพยายามข่มตาให้หลับก็มานึกถึงคำพูดของตมมาคือตัมมาบอกว่าเนี่ยคนบางคนเนี่มีเงินสิบล้านเนี่ย แต่หาความสุขไม่ได้เพก็อยากได้มากกว่าสิล้านแต่คนบางคนมีเงินรายได้แค่ร้อยสองร้อยเขาก็มีความสุขเพราะเขไม่ได้คาดหวังอะไรกับชีวิตแล้วก็พอใจในสิ่งที่มีเขยินดีในสิ่งที่ได้พอนึกถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ท่านนี้ก็นึกถึงพี่ชายซึ่งเป็นหมอเป็นหมอใหญ่ด้วยเรียนเก่งและชีวิตนี้ก็เลยมีหลากหลายคนนะ แต่แล้ววันนึงเนี่ยเพอว่าลูกเนี่ยพิการแตกกำเนิดต้องนอนติเดเตียงมาตลอดพ่อนี่เป็นทุกข์มากเลยสุดท้ายเนี่ยก็เข้าหาเล่าเพื่อดับทุกข์แล้วกลายเป็นพิสุราหรือหลังและสุดท้ายก็เสียชีวิตก่อนวัยนควรอาจารย์ท่านนี้บอกพอ น, นึกถึงพี่ชายเนี่ยแล้วก็ลูกที่พิการแตกกำเนิดเนี่ย มาได้คิดเลยนะว่าโอที่จริงลูกเรานี่ดีกว่าลูกเขาเยอะเลยยิ่งกว่านั้นเนี่ยนอกจากไม่มีก็อยากมีสุขภาพดีแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่เด็กเก๊ะไม่เด็กเกเรตั้งใจเรียนและยี่กว่านั้นคือเขาพบว่าเขาชอบอะไรและเขาเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่เขาชอบนี่คือสิ่งที่พ่อควรจะภูมิใจไม่ใช่หรือนี่คือสิ่งที่พ่อควรจะสะสมไม่ใช่หรือพ่อคิดแบบนี้ว่า โอ้ยในเรามีลูกที่ดีกว่าประเสริฐกว่าคนอื่นเยอะเลยเพราก็ว่าขายทุกเลยนะขายเครียดเยเพราะว่ า, า, นะ า, า, วาได้เห็นแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีลูกที่ที่ดีที่น่าภาคภูมใจที่ควรส่งเสริมคุณหมออาจารย์คนนี้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยที่เราเป็นทุกนเนี่ยเป็นความคาดหวงังหรือไปยึดมั่นในความคาดหวั ง, งตัวนึง แทนที่จะนึกถึงลูกแต่เราไปยึดมั่กับความคาดหวังว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปัจจุบั น, นจะให้ลูกเนี่ยดีแบบที่ตัวองคิดพอลูกไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดเกิดความทุกข์เกิดวิกฤตขึ้นมาเ ป, นเป็นวิกฤตที่เกิดจากใจของตัวเองนะเป็นวิกฤตที่เกิดจากความคาดหวังของตัวเองลูกก็ไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายลูกก็ไม่ได้เจอสิ่งที่ย่ําแย่แต่เป็นเพราะพ่อเนี่ยไปคาดหวา่า และไปยึดความคาดหวังตัวเองมากเกินไปพอก็ไม่เป็นไปดั่งใจก็เลยเกิดความทุกข์เป็นวิกฤตที่เกิดจากใจของตัวเองแต่พอปรับที่ใจได้วิกฤตถายชีวิตนิรุนจ์จากความทุกข์เลยกลับมาพินได้นอนหลับกลับมายิ้มได้เหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่ควรมักจะมองข้ามนะเวลาเกิดวิกฤต เราไปเห็นแต่สิ่งใจแย่แต่ถ้าเรามามองว่าที่จริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้มนมาไม่ได้แย่เลยเลยแต่เป็นใจของเราต่างหากที่เราไปให้ค่ากับมันว่าเป็นสิ่งที่เลวร้วายอันนี้นอกจากการรู้จักมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยอันนึ่ที่สําคัญนะก็คือ การรู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์หรือวิตปริที่เกิดขึ้นนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์นั้นเนี่ยจำนวนสิ่งหน่งที่เราควรทําให้ได้นี่คือการหาประโยชน์จากบางผู้เจ้าเนี่ยเคยตรัสสอนพระดัิยะและพระนัชนีภายหลังก็มาสอนพระ อ, องค์คลีปาซึ่งบวทใหม่สอนว่าอย่างไรสอนว่าผู้ที่เห็นประโยชน์ ผู้รู้จักหารประโยชน์จากอนิจชาลงพระภูมิพระภาคเจ้าสรรเสริญผู้นำเป็นบันทิกอนิจชาลงคือรูปรสกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือเหตุการณ์ในทางลบทางร้ายเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่าความทุกข์เจ็บป่วยและคําต่อว่าความดินทารซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นธรามะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจําโลกที่ไม่มีใครมีคน้น อยูว่าเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์หรือที่ปนัหาประโยชน์จากมันได้อย่างไรหลายคนเนี่ยที่เขาป่วยดย้วยโรคร้ายและจุดหนึ่งเนี่ยก็คือกดด่าชะตากรรมว่าทําไมต้องเป็นชั้นชั้นอุษาทําความดีสร้างบุญสร้างบุญเสมาเยอะทำไมถึงต้องเป็นชั้นทําไมทําดีไม่ได้ดีแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ได้คิดและกลั บ, บอกว่าขอบคุณที่เป็นบารมี ทำไมทุกความคุณทีเป็นมะเร็งก็พราว่ามะเร็งทำให้เปลี่ยนชีวิตทาให้หันมาสนใจการรักษาจิตรักษาใจของตัวที่แรกเริ่มจากการสนใจธรรมะ ก, ก่อนแต่คนเราในยามที่สุขภาพดีก็ไม่เคยสนใจธรรมะหรอกแต่พอเจ็บป่วยขึ้นมาก็เริ่มหันมาสนใจธรรมะแล้วพอศึกษาธรรมะ ก, ก็พบว่าสนใจนี้ไม่พอต้องปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติเนี่ยเห็น หรือเข้าถึงความสงบในใจิตใจแล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ชีวิตต้องการนี่คือจุดหมายของการจุดหมายแห่งการดำรงอยู่ของชีวิตเมื่อได้พบความสงบอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนและเพราะนั้นเนี่ยจึงขอบคุณมารมและคนสามารถอยู่กับความเจ็บป่วยได้ไม่ใช้เพราะความอดทน แต่พอเข้าเห็นประโยชน์หรือเขาได้ประโยชน์จากมันอีพี่อุ้งคนหนึ่งเธอเป็นมะเร็งเต้านมก่อนที่เธอเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเธอเป็นโรคซึมเศร้ามา ก, ก่อนแล้วเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนักมันเหมือนข้อซ้ำกรรมสัตว์แต่บอกว่าพอเป็นมะเร็งเนี่ยชีวิตเธอเปลี่ยนเลยนะตัวบอกว่าเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันทําให้เธอเข้าใจตัวเองและรับมือกับโรคดีขึ้น ทำไม่มีความสุขขึ้นเธอจึงไม่กลัวมะเร็งเลยกอบอกว่าถ้าเธอเป็นมะเร็งถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเธอคงตายไปแล้วพราะโรคซึมเศร้าเนื่องจากพยายามฆ่าตัวตายไปแล้วสาครับจิตแพทย์ซึ่งรักษาเธอเนี่ยถึงก็ออกปากเลยว่าทัศนการมองโลกการมองชีวิตเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เธอเริ่เป็นมะเร็งเพียงวันนี้เนี่ยเธอชื่อใหม่เธอบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันทําให้บุ่มมองของเธอ ต่อตัวเองและต่อโลกเปลี่ยนไปซึ่งมันไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นแต่กับทุกคนนะแต่ก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องความบังเอิญแต่มันเกิดจากการที่รู้จักมอจงจนกระทั่งเห็นว่าไอมะเร็งก็มีไปอยู่ความว่าอย่างเช่นนี้มันทําให้เธอมีความสุขมากขึ้นมีผู้หญิคนนึงแล้วเธอเป็นโรครากมืออ่อนแรงซึ่งรุนแรงมากนะเป็นมาตั้งแต่อายุสิบขวบ แล้วโลกนี้เนี่ยพอเป็นมากๆเข้าเนี่ยไม่ใช่แค่มือไม้อ่อนแรงปอดก็ไม่มีกำลังเธอหายใจได้แค่สิบปอร์เซ็นของคนทั่วไปแล้วก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ไม่น่าเชื่อนะเธอสามารถที่จะกลิกนีิจายดีๆเนี่ยมาให้คนไทยอ่านเนี่ยเกือบยี่สิบเล่ม น, นะและบางเล่มก็ได้รางวัลเธอพลัง เอาไฟจากการเขียนวิจัยมาจากไหนทั้งที่เธอป่วยนี่ขนาดเธอจะพิมพ์ดีนะเธอพิมพ์ดีนไม่ได้เหมือนคนตัวไปเธอต้องใช้วิธีเอาข้อนิ้วเนี่ยมือขวาเนี่ยที่หักงอเนี่ยจิ้มกับคีย์บอร์ดของสมุดโทรศัพท์มือถือได้แค่ทีละตัวทีละตัวและจะจิ้มแบบคนปกติไม่ได้นะเพราะว่าแขนงเธออ่อนแรง เวลาเธอจะพิมพ์เธอก็ต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เอามือเนี่ยเอาแขนเนี่ยพาไปที่ลำตัวเอาโทรศัพท์วางไว้ที่หมอนข้างซ้ายนะแล้วก็เหลียวไปมองคีย์บอร์ดแล้วก็ใช้ข้อมือเนี่ยจิ้มโดยอาศัยการพลิกตัวเ พ, พราะความพลิกตัวเนี่ยก็ทาให้มือเธอแขนเธอขยับแล้วก็ทำให้สามารถจะพิมพ์ตัวอักษรได้ เธละตัวทีละตั ว, ตวเธอไม่มีแรงที่จะพิมพ์แบบคนทั่วไปได้แต่ทุกวันเนี้ยเธอก็มีความสุขการเขียนที่ยากทั้งที่โรคเธอเนี้ยมันสร้างความทุกข์ท ร, ร ม, มายอาจจะยิ่งกว่ามะเร็งสินะเธอมีเค่็ดับอย่างไรนะอาตมาที่ว่ามันเป็นที่ทัชนักระเทียงเธอเธอบอกว่าความทุกข์มันใช่อะไรกับเรามากกว่าความสุขนะ ความสุขมันทำให้ใจเราล่องลอยแต่ความทุกข์ทำให้เราอยู่กับตัวเองและอยู่กับความเป็นจริงซึ่งเดี่ยวการล่องลอยมากเธอเจอทุกขเวทนากับร่างกายกับความไม่สมประกอบของร่างกายแต่ใจเธอไม่ทุกข์เพราะหนึง่งใจเธอยอมรับได้สัจเนตุที่เกิดขึ้น 2. เธอยังรู้ว่าเธอยังสามารถจะเขียนนิยายได้แม้จะเขียนด้วยความทุลักทุนเอง และสามเนี่ยพราเธอเห็นประโยชน์ความทุกข์แทนที่เธอจะจมดิน่มบ่นวัววายปีโพยว่าทําไมฉันทุกข์แบบนี้ทําไมฉันต้องมาเจอแบบนี้เธอก็มอกเออความทุกข์นี่มันก็ดีเหมือนกันนะมันให้อะไรกับเรามา่ความสุขเยอะเลยคนที่ก็เห็นประโยชน์ของความทุกข์หรือครับเยอะจากความทุกข์ได้เนี่ยวิกฤตชีวิตนี่มันไม่มีความหมายเลยนะครับ หรือว่ามันไม่สามารถทำให้เป็นทุกข์ได้อาจจะทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์ไอ้คนณรงเนี่ยถ้าว่ารู้จักห า, าประโยชน์จากความทุกข์เีินนะหรือเห็นประโยชน์จากมันนี่บางทีวิกฤตกลายวิกฤตเป็ความทุกขก์กลายเป็นดีนะพีค น, นหนึ่งเนี่ยเธอเล่าว่าเมื่อสิกกบกว่าปีก่อนลูกชายอายุสิ้ามาขอเธอเนี่ยไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย เลยว่าลูกชาย เ, ยเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่และอินเดียก็เป็นประเทศที่น่าสนใจนะพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นที่อินเดียคารทีก็เป็นคนอินเดียก็เรื่องนี้ลูกไปลูกแค่ยี่้าลูกก็ดีใจแต่ไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนเราะว่าเสียชีวิตเพราะจมน้ำตายผู้ที่บบหนแม่นี้ ไม่แค่เสียใจนะโทษตัวเองนะว่าทำให้ลูกตายเพราะถ้าเธอไม่ย้ายลูกไปลูกคงไม่ตายเธอก็โบยตีตัวเองฉันน่าจะห้ามลูกฉันไม่น่าเ้ยให้ลูกไปที่ยังไม่ได้ความถห็งเธอเลยนะเธอไปก็พรเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับลูกแต่ก็อย่างที่บอกนะธุรกิจชีวิตล้มลงความสูญเสียพลดเพล่า้างเนี่ย เันเกิดพึ่งยาวคาดดาให้ได้เธอแทบไม่ไปพูดเป็นคนนทําเราพูดเป็นแม่เนี่ยเสืบลูกก็เศร้าแล้วแต่ยิ่งโบยตีตัวเองว่าเป็นเหตุหรือมีส่วนทาให้ลูกตายเนี่ยจิตใจ ย, ยิ่งยัามแย่ก็เป็นอยคนที่มีความสุขแบบนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่อยากจะอยู่เลยนะแต่ว่าเธอก็ พยายที่รักษาใจไม่ให้คิดสั้นแล้วเนีมีเพื่อนชวนไปปฏิบัติธรรมฉัอเมื่อกีปฏิบัติธรรมมา ก, ก่อนแต่ก็จําต้องไปเพราะว่าไม่มีทางอืู่อีกแล้วเี่จะช่วยทําให้หายจากความทุกข์ความเศร้าโศกได้เมืเ่อเธอไปปฏิบัติธรรมเธอได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนว่าคนเราเนี่ยบางคนเนี่ย อายุสั้นหรือเธออายุยืนทั้งหมดที่มันเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละคนเพราะแต่ละคนก็มีกรรมเฉพาะตัวในแง่หนึงเธอก็ทําให้มันก็ทําให้เธอยอมรับความตายของลูกได้ว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตที่ไม่มีใครมีควและในแง่หนึ่งก็ทําให้เธอตระหนักว่าไม่ไม่ใช่ความผิดของเธอเลยที่ลูกต้องจากไปก่อนมัน แต่เวลาโดยการปฏิบัติทการทำการจลสติเนี่ยมันก็ทําให้เธอเนี่ยรู้จักวิธีจัดการกับความรู้สึกผิดการที่จะกดข่มความรู้สึกผิดอย่างที่เคยทําเธอต้องเพียงแค่มาดูมันเห็นมันรับรู้โดยไม่กดข่มรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางจนทำความรู้สึกิเนี่ย ค, ค่อยๆลดลงลดลงลดล ง, ลดลงแล้วก็หายไปชี่งที่ตามามาคือความสงบเจ็น เธอบอกว่เอไมเคยบความสมบดรณ์แบบนี้มาก่อนมันทําไมเธอเห็นคุณค่างสมาธิภาวนานแล้วมันทําไมเธอได้พบชีวิตใหม่จนจุดนี้เธอถึงก็บอกเลยนะว่าขอบคุณความตายของลูกนะที่ทําให้แม่ได้มาพบธรรมะความตาของรูกนั้นเราคุ้มค่ามาสำหรับผู้เป็นแม่ในความต่างรูกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนได้เราเป็นความสูญเสียที่ พูดได้อยากว่ามันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าแต่ว่าคุณแม่ท่านนี้เนี่ยท่านมองว่าถ้าไม่ใช่เพราะความตายของลูกแม่คงได้ไม่มาพบธรรมะจึงขอบคุณความตายของลูกบางแง่ห น, นึ่งนนก็คือการทําให้ความตายของลูกมีคุณค่าบองครั้งเนี่ยเราปล่อยให้ความตายคนที่เรารักเนี่ยมันปีนแทนใจเรามันสร้างความทูกให้กับเรา ซึ่งผู้ที่จากไปคงไม่ปรารถนาเช่นนั้นและที่สำคัญคือมันไม่ได้เป็นการทำให้ความตายของผู้ที่เราลักมีความหมายมีคุณค่าขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากปรารนาให้ความตายคัามีคุณค่าเราต้องเอาความตายมาเป็นแรงผลักดันเพื่อเกิดการกระทำที่ดีๆหรือเกิดสิ่งดีๆขึ้นตามมาซึ่งในกรณีเช่นนี้เนี่ยก็คือการที่แม่ได้พบธรรม อันนี้คือความหมายในเรื่องการที่เรารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์แต่จริงๆเนี่ยความทุกข์หรือวิกฤเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทําให้เราได้พบธรรมะหรือพบความสงบเย็นนะั้นแต่ว่ามันสามารถจะทําให้เราเนีได้เข้าถึงธรรมหรือเห็นแจ่แจ้งในสัจธรรมก็ได้เราสามารถจะพูดเลยไ ด, ได้ว่าพูดได้เลยว่าเนี่ยเจอทุกข์เนี่ย ช่วยเห็นธรรมทุกกับธรรมนิ่เป็นสิ่งตงข้างกันเลยนะและบางครั้งเนี่ยจะเจอเจะเห็นธรรมได้ต้องเจอทุกข์ถ้าไม่เจอทุกข์หรือไม่เจอลึกฤตินเนี่ยบางครั้งก็เห็นธรรมลำบากธรรมในที่นี้คือสัญญธรรมความจริงของสีวิตกล่าวมาที่นามกิสาโกตมีเมื่อนําเอาล่าของลูกชายเนี่ยฝัง ในป่าชาแล้วนางก็กลับไปหาพุทธเจ้าไปฟังพุทเจ้าคราวนี้พุทธเจ้าเนี่ยเห็นนางวิสาภุติมีเนี่ยจิตใจเนี่ยเริ่มคลายจากความเศร้าพร้อมที่จะรับฟังธรรมะพระองค์จึงเริ่มแสดงธรรมน่าสนใจนะพระองค์นี้ไม่ได้แสดงธรรมเปสาะป่านะคนบางคนบางขณะพรงไม่แสดงธรรมเพราะข้อยี่ไม่เปิดใจรัก แต่เมื่อเขาบวดใจแล้วเนี่ยพวงจะแสดงธรรมพวงตัดกับนางคีษาคดิ์ตรูสั้นๆนะ ว, ว่ามรุตยูย่อมพัดพาคนผู้หลงไหลในบุญและสัตว์เลี้ยงเชกเช่นพ่วงน้ำใหญ่ที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปชนะ น, น, นางคิศากดิมีพิจารณาตามเนเนื่องจากประสบความทุกข์มา หยดหยดมาสดสดร้อนร้อนและเมื่อใครควรทำรกรรมของพืชเจ้าก็เห็นแจ้งเลยนะว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยนะของชีวินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นและขณะเดียกันก็เห็นเลยว่าเป็นเพราะความลหลงใยยึดติดเนี่ยมันจึงทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นพอพิจารณาเช่นนี้เนี่ย ใจเนี่ยก็ปล่อยวางเลยคลายกับความทีติดถือมันปัญญาเกิดนะจิตก็หลุดพ้นเป็นพระโสดาบันในบัดนั้นเองจากคนที่เพิ่งสูญเสียลูกจนกระทัางไม่เป็นผู้เป็นคนตอนนี้ได้ใจเป็นพระย่อุทุกคนไปแล้วเราจะพูดได้ไหมว่าถ้านางไม่สูญเสียลูกเนี่ยก็คงได้คงจะไม่เห็นถ้าไม่สูญเสียลูก ก็คงจะไม่บรรลุเป็นพระิยะบุคคลซึ่งก็มีตัวอย่างแบบนี้เยอะนะนางปตาจาราซึ่งชูนเสียลูกสองคนศูนเสียสามีศูนเสียพ่อแม่และสูนเสียพี่ชายในเวลาที่ห่างกันไมยี่สิบี่ช่วโมงแต่สุดท้ายนางก็ได้เป็นพระโสดาบันและในสุก็ได้เป็นพระอรหันต์เช่นใีตานปิศาจกระมื สันตติอมมาชื่นสูญเสียคนรักนะในขณะที่กําลังเพล่ดเพื่อสนุกสนานเศร้าสศกเสียใจแต่ไม่ได้ฟังคำพูดเจ้าก็เห็นแจ่มแจ้งเลยนะว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะความยึดติดถือมั่งและแต่ใดที่ยังยึดติดถือมั่งก็ยั ง, ยงมีเพิ่ยิ่งไปเพิ่มความทุกข์จะต้องหลงเวียนหลงวนอยู่ในวัฏจักรแห่งความทุกข์ตลอดว่าตาสงสาร ทรงทั้ต่อเมื่อละวางในขันทั้งห้าจึงจาคนทุกข์ดังแลนวเห ม, มตัตเป็นพระอาจาย์ันทีเลยนะครมีตัวอย่างคนางมากมายที่บรรลุธรรมเป็นพระอุคนเนี่ยพองการสูญเสียพวกการเจอวิตกในชีวิตฉะนนจึงพูดได้ว่าเจอทุกข์เนี่ยจึงเห็นธรรมแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยตัวอย่างของท่านเหล่านี้มันก็ชื่อเห็นในเต็มๆนะว่า ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะพลาดพลาดสูญเสียคนม้าคิดว่าความพลาดพลาดสูญเสียเป็นเหตุให้เกิดทุกทําให้เราทุกเพราะสูญเสียคนรักแต่ที่จริงไม่ใช่นะความสูญเสียพลาดพลาดหรือความตายไม่ได้ทําให้เราทุกแต่ที่เราทุกมาไปยึดติดถือมั่นในบุคคลนั้นในสิ่งนั้นต่างหากพระเจ้าตรัสกันในสาวกตรมีว่า มรติยูย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลไปผู้ที่หลงไหลในบุตรสัตว์เลี้ยงหมายเพราะว่าไงหมายเพราะว่าจำพาะผู้ที่หลงไหล ย, ยึดติดในบุตรสัตว์เลี้ยงจึงถูกมรติยูพัดพาไปให้เจอทุกข์แต่ถ้าไม่หลับไหลไม่ลหลงไหลในบุตสัตว์เลี้ยงและสิ่งอื่นเนี่ยมรติยูก็ไม่สามารถจะพัดพา ให้เจอความทุกขได้นี่สําคัญนะสมุดชัยรื่งเหตุทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดจากความพัดผ้าสูญเสียแต่เกิดจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งนั้นหมายควาว่าถ้าไม่ยึดมั่ไม่ไม่ติดถือมั่นในสิ่งนั้นเนี่ยแม้จะพัดผ้าสูญเสียไปใจมันก็ไม่ทุกข์ตรงนี้แหละน้าที่วิกฤตชีวิตเนี่ยมันสามารถจะ เปิดใจแล้วเห็นสัจธรรมไม่ใช่แค่ทุกข์คืออะไรแต่ยังรู้ว่าสมุนไพรคืออะไรสมุนไพรไม่ใช่ความพันพ่าสูญเสียไม่ใช่ความเกิดความควยแต่คือความยึดติดถือมั่นในร่างกายในทรัพย์ในบุคคลนั่นหมายความถ้าไม่ยึดติดถือมั่นแม้สูญเสียไปเขาก็ไม่ทุกข์ช่างไฟคนหนึ่งชื่อดำรีอายุสามสิบวันนี้พื้นเดีรวกับว่า เจอไฟฟ้าแรงสูงมาทาบที่ต้นขาไปช็อตขนาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยยังก็ต้องตัดข า, ขาทั้งสองข้างทีกลายเป็นพิการตลอดชีวิตชนนไม่พอ้นะไม่กี่เดือนต่อมาภรรยาก็ทิ้งเขาไปมันเหมือนข้อซ้ ำ, ำนะาำซ้ำนั้นก็มีคนถามดำริว่าเนี่ยคุณคิดอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้งไป แค่ตอบปีก็บว่าผมไม่รสึกอะไรหรอกครับก็ขระดขาสองข้างมันไม่อยู่กับผมนึงแล้วจะให้เมีอยู่กับผมได้การสูญเสียขาสองข้างเนี่ยมันทําให้ตำรีเนี่ยเขาตระหนักว่าคือเห็นชัดว่าขาไม่ใช่ของเราขาซึ่งมันอยู่เข้ามาตั้งแต่ก่อนเกิดคือในท้องแม่เนี่ยวันนี้คืนนี้มันก็ต้องจากออกไปถ้าไปยุทธเป็นเราเป็นของเราไม่ยอมให้เขาจากไปก็อาจจะเสียชีวิต เพราะว่าพิกไมเข้าสู่กระแสเรื่องต้องยอมปล่อยแต่การสูญเสียขาทั้งสองข้างก็ทำให้เห็นชนะัดแล้วมันนี่เป็นของเราเลยพอเหตรงนี้เนี่ยเมื่อถึงวันที่ภรยาจากเข้าไปก็ก็ไม่เสียใจพราะเขารู้ว่าไม่มีนในที่ยึดติดถึงมา่นว่าเป็นเราเป็นของเราไดา้อันนี้เป็นตัวอย่างได้ว่าความสูญเสียทัาท่าเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุแห่งทุกข์ แต่ทุกโดวยว่าความทุกใจคือความยึดติดถือมั่นในสิ่งนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตรงนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าวิจิต์เนี่ยชีวิตเนี่ยมันให้ประโยชน์กับเรานะมันทำให้เราเห็นสัจธรรมซึ่งก็เป็นการหาประโยชน์หรือเห็นประโยชน์จากความทุกข์หรืออนิทารมอย่างหนึ่งซึ่งจะมาช่วาเราควรจะฝึกให้เห็นจาก ความทุกข์อาจจะไม่ต้องถึงขัง้นวิกฤตก็ได้ความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่มันผายเข้ามาในซื้อรถติดหรือว่าเงินหายเป็นไข่ไห่สบายลองมองดูนะว่านอกจากรักษาใจให้ทุกข์แล้วเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับเราอย่างที่พ่อคนนึงถามลูกชายแต่ที่รติดเล่นเกมนะว่าเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่เป็นประสงค์เนี่ย มันมีข้อดีอย่างไงเจอรถติดตับเลยแลนะพ<ม>่อกา็หานมาถามลูกว่ารถติดมีข้อดีอย่างไรลูปตอบเลยนะรถติดจะมีข้อดีตรงที่เทาไห้พ่อมาคุยกับลูกไงเพราะถ้ารไม่ติดพ่อก็ไม่มาคุยกับลูกนะแต่รถติดก็มีข้อดีนะถ้าเรามองไม่เห็นนะเราสาสตก์จันที่เป็นจิดลดตลถตกหลายคนรถติดจิดตตกเยอนะเองแต่ถ้าเราเรียนฝึกเนี่ยจากเหตุการณ์เราเนี่ยเล่นๆน้อยเนี่ย เราก็จะเริ่มรู้จักรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้หาประโยชน์จากความทุกข์ได้ถึงเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเราก็จะรับมือกัมบมันได้ดีขึ้นแต่เราจะรับมือได้ดีขึ้นนะถ้าว่าเราเนี่ยฝึกใจให้พร้อมอยู่เสมออย่าไปรอให้มันเกิดขึ้นแล้วถึงค่อยมาคิดถึงธรรมะมันมีบทสวดบทหนึ่งนะบทพิจารณาชื่วอว่าอิฏฐปัจจวีตมีอยู่ห้าข้อสีข้อแรกสําคัญมาก เรามีความแก่เป็นธรรมดาที่ร่วมเปินความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาที่ร่วมเปินความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความเจนความตายเป็นธรรมดาที่รวมเพิ่มความตายไปไม่ได้ Nein. เราต้องพัดพลาจากของรักของชอบใจก่อนที่จะรับมือหรือทำใจเนี่ยกับความตายเนี่ยให้ฝึกใจตระหนักว่าเนี่ยความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ก็ดี ความพลาดพสูญเสียก็ดีคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราได้เตรียมใจไว้เกื้อใจไว้เมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นเราจะได้ตั้งสติดได้แล้วก็รับมือกับมันได้ด้วยวิธีการหรือการวางใจจากที่ตมาได้ยกตัวอย่างก็ที่ว่านี่ก็เป็นวิธีรักษาใจนะเบื้องต้นนะในยามที่เราเจอวิกฤต น, นั่นคือการจักยอมรับกลับมาอยู่กับปัจจุบนัน จะไปปรงแต่งกับอนาคตและสร้างภาพที่เลวร้ายมากขึ้นไปเมื่อกําอยู่ปัจจุบันก็จะรู้จักชื่นชมเห็นสิ่งดีๆที่มีเช่งก็เป็นการมองบวกชนิดหนึ่งและถ้ามองบวกอันนี้ได้ในการที่จะเห็นประโยชน์จากความทุกข์หาประโยชน์จากความทุกข์ก็จะทําได้ง่ายขึ้นและวิธีการที่เราจะหาประโยชน์จากความทุกข์นะก็คือตระหนักว่าเมื่อเจอทุกข์แล้วเนี่ย เราสามารถจะเห็นธรรมหรือเข้าถึงธรรมได้ซึ่งก็รวมถึงการที่เราเข้าใจว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรมันไม่ใช่เป็นเพราะความไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นเพราะความสูญเสียทุกข์ารมันไม่ใช่เพราะความตึ่ความป่วยเราถึงทุกข์แต่เป็นเพราะการที่เราไปยึดติดถือมั่นในสิ่งนั้นไม่จะเป็นคนสักสิ่งของหรือสักเลี้ยงแต่ตรงนั้นแหละน้ะที่จะทําให้เราได้รู้จักเห็นคุณค่าการปล่อยวาง และทำให้เราสามารถที่จะยกจิตให้เหนือวิกิตต่างๆดังกฤษศักติีเนี่ยนะหลังจากที่ท่านได้บรรลุธรรมนพระภรันต์เนี่ยอนหนึง่งที่ท่านอยู่ในเวทในป่าเนี่ยก็มีมามาก็บอกว่าเนี่ยท่านสูญเสียลูกท่านเหงาใช่ไมท่านหาท่านกำลังมองหาผู้ชายท่านกำลังปรารถนาที่จะอยู่กับบุรุษใช่ไหมนะพระกฤศั ก, กติกีเฉลี่เนี่ยซึ่งกับไม่บรรลุวันะกับ คำพูดของมาแล้วกลับว่าว่าเนี่ยเราสูญเสียลูกแล้วลูกของเราตายแล้วคนทุกคนย่อมสูญเสียชีวิตไม่มีใครหีความตายจิตใจเราไม่หวั่นไหวต่อความตายความตายทําอะไรเราไม่ได้เพราะจิตเราหมดหม ด, หมดสิ้นซึ่งความเพลิดเพินหมดสิ้นซึ่งความยุติความตายไม่สามารถทำอะไรเราได้นเราสามารถอาชนะความตายอันนี้ก็เป็น สรุปนะของนาทีสาวก็จะมีจากคนซึ่งสูญเสียลูกจนกระทั่งกลายเป็นผู้เป็นคนแต่แล้ววิตกกชีวิตครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้นางเนี่ยไม่เพียงแต่กลายเป็นพระอริยบุคคลนะแต่ว่าสามารถที่จะกลายเป็นพระจนกระทั่งสามารถที่เอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้ผู้ย่างก็คือวิติจทำอะไรทำไม่ได้อาตมาก็ใช้เวลาผสมควรแล้วนะก็กรวิจิตการในายที่เป็นคน